ท่านรื่นเ ร, ง, เรงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความกระหมยิ้มย่องมุงมัน่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่าน <c oughs> ต่งกลมคืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนเืินเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรม ติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลถึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวักขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสาเร็จพระรหัส ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรักเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเูียรนไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทดิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติ อย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินจู่จุดไม้ปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรกด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มี หากจะตําหนิก็ตําหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลําดับเท่านั้นในครั้งพุทธ ก, กาลจํานวนมากต่อมากท่านดํานเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นสั์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใด ให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะเพิง่งรู้เพิงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหธรรมในสิ่ง ท, ที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรง ประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆั้นพร้อมที่จะดำเนินตามหลักาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกอย่างฝังลึกภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามักผลนิพานเป็นสาระอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสาระของพวกเราเล่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาหพยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกสิทธากต มีธรรมวินัยอันเดียวกันมรรคผลนิพพานติดแนบอยู่กัดกับหลักศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแบบเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรยิ่งหย่อนหรือห่างไกลกันกับสวกขาตธรรมแม้แต่น้อยในบรรดามรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติของตนที่ชอบด้วยธรรม ขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติยาลดละปล่อยวางความภาคเพียรเพื่อมักเพื่อผลอันเป็นธรรมล้นค่าไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในโลกนี้เพียงได้เห็นกระแสะแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ในผลเบื้องต้นว่าสมาถะธรรมเพียงเท่านั้นก็เ อ, อิบอิมีมภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัย เพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสะของโลกที่มันพัดผันโลกรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่ตรงวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบําเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสะแห่งธรรมในเบื้องตน้นที่เป็นสมถะธรรมคือทำได้แก่ความสงบภายในจิตใจ จากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันถึงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยภาว่าอาหารวานข้าวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่หวยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันจุดมันลากออกไปเช่น ทุดเล่าออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆซึ่งนู่นแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันทีกิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งหนึ่ง ให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์ไม่มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้น แต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะ ธ, ธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเปิดพอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความ สงบรมเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือความคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วไปที่จะต้องเลยห ม, มุนเป็นเกลียวไปด้วยอานาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุข วันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งหน่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่บุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยนี่เพียง สมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศอเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนของตนผู้ปฏิบัติจิงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติ เรียกว่าท ร, รมาสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไม้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไม่แล้วแล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มี ทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยําทอดออกมาจากพระไตยสั่งสอนโดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเนรในได้เข้าช่องในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้ รับโอวาจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามผู้ชีน้นะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้นี่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้น แห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพอพออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียร สมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสากยาบุตรลูกศิทธถาคดด้วยความเป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหนา้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาจนให้เอาจนได้สมาธิความพุ่งสั้นนั้นเป็นค่าศึกกับความสงบ จงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดดีเยียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้ปลปอยอย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาฆ่าสุดทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเรา ทุกๆลูกทุกๆนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆแต่พ่ออย่างยิ่งคือคําบริกรรมสําหรับผู้ที่ฝึกหัดไปเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมตรงนีเน้นหนักในความในคําบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็าตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมานี้กิเรสจะไม่มีทางออกเพี้ยนผ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้ว ใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคําบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระ ง, งับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความพุ่งซ่านลาคาญก็เท่ากับระ ง, งับทุกข์ไปในตัวเพราะความพุ่งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามี ความสงบด้วยอำนาจแห่งการบรีบบังคับกิเลสแม่มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคาบริกรรมโดยถือคาบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายัางไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเบื้องธาตุขันอีกด้วยสาหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้น บางทีตั้งไม่อยู่เพราะาธาตุขันมีกําลังมากกําลังของาธาตุของขันมากก็เท่ากับกิเลสมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกรเรียกว่าเป็นไยัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสด้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันชั้นยาวใน สิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดําเนินมาแล้วจึงได้นํามาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลายจําต้องได้ลดสิ่งเหล่านี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อกิจสงบได้แล้วนั่นแหละเป็นต้นทุน พออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นได้สบายสบายนี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าแม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั่นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ทลิ่งทลิ่ไปนอกรูนอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหวยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมะถะธรรม พิจารณาแยกแยะดูสนพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนานแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากประกอบกับวิเวทมันไม่ยอมให้สัตว์โลกทั้งหลายพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งนี้นอกจากจะให้ส่งเสริม สิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงติดกันได้งอมแหนมเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตอนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงเองต้องใช้ปัญญาพิณิพิจารณาหลังจากหยิดออกจากความสงบแล้วแล้วความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็าตาม ควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกศารลมานขาทันตาแตจูแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อย ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นําไปพิเคลยียดพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว่เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสารพรางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ําหนังนี้รอบด้าน นี่ผิวพันธุ์วันณนะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลส จ, จะมาเสี่ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยของของงามผิวพันธุ์วันณนะเพ็งแปังอะไรก็แน่นหนามั่นคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของที่เหงือที่เหงือที่ใครเนี่ย หนักเข้าไปเด็กเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งโสกโปกโสโครกนะครับแต่ผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่โสกโปกโสโคร ก, ครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนเล็บฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเข้าอยู่กับสิ่งที่โสกโปกโสโมงทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไร มนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะ ส, จสัรนกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกีลังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสั่นกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไล่ค่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการสามสิสองเลยแล้วก็เต็มไปด้วย สิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนมีบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของจิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของจิเลสถึงจะเน่าแฟะขนาดไหนจิตเล็ดมันบอกว่าสวยว่างามใจของเราก็เชื่อได้ง่ายง่ายเพราะมันเคยเสียมสอนมาม า, มากต่อมากแล้ว นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงแยกแยะเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพินิตพิจารณาแยกแยะตนเองออกไปเลือกความละเอียดละ อ, อ่อันเป็นอัตยาศัยของตนแต่ละรายละลายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยิดมั่นถือมั่นความสํคาคัญผิดที่มันซียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้เหมือนกับถอดเชี่ยนถอดน้ําออก จากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาการพิจารณาไม่นับเว ล, เวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึง้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดก่อนมากทีเดียว เกิดความสฉลดสังเวทน้ำตาล่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาล่วงเพราะอะไรเกิดความสรลดสังเวทตัวเองซึ่งเคยยืดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในพวกนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะมาติดนอกจากทู่ชื่นจิเลสแล้วเท่านั้น เด็ดกันหมดเนี่ยเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่ล้วตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพริจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับอ นามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสําหรับผู้ปฏิบัติทําทั้งหลายดังกล่าวมานี้ <c oughs> นเวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวาง ก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญาสังขาปรปูงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นกอง วิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายขอเรียกว่าวิญญาณรับทราบแยบยบแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอรุภะอรุพังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในในตัวของผู้พิจารณานั้นแหละ หากรู้เองสําหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเกือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอตากับอสุภะอสุพังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอริุภะอสุพังอย่างเดียวยังมีไตรลกักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามมาทําแล้วมักจะเป็นไตรลกักษณ์ล้วนรู้ว่านพ่อร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้ จิตย่อมจะปล่อยวางยิดจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้งสีนี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกดูสิ น, จนะนีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบร้านไปในที่ต่างๆของร่างกาย ไม่ใช่ตัวจริงเมือ่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลําดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิติโกสําหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นเชื้อไฟก็ถูก ตาประธรรมได้แก่สติปัญญานั้นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นหรือท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่เรียกว่าจิตตอวิชชาพอปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้รู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำ ด, ดับหดย่นเข้าไปยนเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โต สติปัญญาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไปนอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นสันธิพโกวาลาสุดท้ายประกาศตั้งขึ้นมา พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเขาไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคําสอนสอนไว้เพื่อจุดนี้ทแท้ๆเพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้ทแท้ๆเมื่อรู้แล้วจะไปเถาะถามพระองค์อีกอยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตพรกวาตาธรรมูเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั่นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วและเปิดขึ้นมา กระจ่างภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่และที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าเท่าเ ท, ท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งยิ่งมีความละเอียดละอ่ คล่องตัวไปโดยลาดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนๆเนี่ยจนกระทั่งเก้าเข้าสู่ดุตุติในวารรสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันโสอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่าดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้ โดยลำดับลำดาจนถึงมุดดุดพ้นกระจางแจ้งภายในพระไทยและจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาทมไม่มีความคำ ว, ว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวคดคาถธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิด อ, อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพื้ปฏิบัติยานอนใจ ใยเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลือดเลยยิ่ง ก, กว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือจะต่านเรียกว่าตลาดแห่งมรุณนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเหล่านี้แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอยากเห็นสิ่งใดเป็นที่เลือดเลยยิ่ง ก, กว่านี้ไม่มีในโลกกรธาตุนี้ ม, มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจั ไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นจุนที่จุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัตย์จะทเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเรียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมากบาเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวนคาธรรมเหมือนกัน นิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวดธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยยิงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บําเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่น ขอให้ดําเนินตัวดําเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมักชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิ ว, หวที่โหยก็เพราะรากิเลส เ, เข้าแทรกเข้าเสียงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไหร่ก็เกิดความหิวโหวยมาก ไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความหวยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเช่นการทําการทํางานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกกองทุกข์เหมือนเหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็าตามแบกกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมดเพราะกิเลสมันจะ ผิดออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไรความอยากความเยอทยานความทุกข์ยิ่งมากยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นธรรมาชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นสถานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติลมปาก ว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยสแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาเข้ามันสแสดงออกมาสแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิน้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื่อแล้วย่อมสแสดงเปลวตลอด หามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกกองทุกตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวันณะใดแม้แต่สัตว์บริสานต์เขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเรศอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวันละไม่เลือกชาติใดวรรณะใด เป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอปรงที่ไหนปรองไม่ได้มีแต่กองทุกมีแต่กองทุกไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการชะทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจอย่นี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในใ จ, ใจิตใจเมื่อได้ทำละสักฟอก กำจับสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตอัวอยู่ตลอดเวลาอาการิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนั่น ความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีท้อในมีน้อยทำให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลาั้งหมด้ะจริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใ ย, ยในธาตุในขันพ่อพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันนี่คืออะไรแน่ดินน้ำลมไฟคำว่ารูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟ อยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลงไปสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลงไปสไ ล, ลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองยึดเหล่าหักดิ้นดนกัดแกว้งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อน ผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดืดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ดุ้งดงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบคอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุแย่ก่อควรได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่ยิ่เลีได้ขาดสะบัน้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำผลเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันก็ดี เมื่อได้ตัดสู้ธรรมและบรรลุธรรมผึงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตาการไม่มีคําว่าซ้ำซ้ำสักสเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดีย๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำลักไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตาย อยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันมันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงเรียกว่าอันนี้จังอันนีจังนอนหลับคลอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบดเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบปอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเอง เมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นอนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างค น, ต, ง ต, งคนต่างส่ะต่างคนต่างแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องสอ่อต้องสแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำจำลานทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่ที่หลับที่นอนที่อาศัยเขาก็วิ่งเต้นควนัญขวาย ตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสําคัญมากอืมมีแล้วก็เหมือนไม่มีะความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกัดแวงทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยควานนั้นควานนี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกแอะไรอีกสุดท้ายก็ตายทิ้งปเปล่าๆมาเห็นในความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นไปยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขยาไป ไปมองเ ผ, ลผลินๆมองแบบกิเลสแล้วไม่ไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆเห็นเขามม่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิน้น เ, เขาอยากมม่งอยากมีทั้งๆั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี่เรือนแต่ผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายกิเลสไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉย มีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับเข่าของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี่ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรฮผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมัน แล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรกิดพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี่นะ่ะธรรมชาติที่ทบริสุทธิ์และพอตัวพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอาถานะ์เป็นอย่างนายแม่แล้วทำนี่แหละคือทำอัศจรรย์ของโลกเนื้อโลกคือทำอันนี้ นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัจจัรย์ดีกับมันติ้นเขากัมมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแต่ผู้โง่เขาบ่ปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองข้อของยศศัก์สมภารสิ่งคารมณรีวานมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเข้ามากหนาแน่นเขามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาพิจมพานที่เสียกสรรปัญญยอขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัว อืแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรสักของตนกลับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิง่งยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มี อ, อะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทําให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วทีนี้จะหาที่ไหนความถุกอ่าพิจารณาสิ โลกธาตนี่กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นเดือนจําครอบงําสัตว์ต่ว่าโลกอยู่ในนี้มันครอบงํามไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะใหสัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมตินี้เองนอกสมมติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานเอาสมมติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านารกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีอนิพพานท่านก็ไม่ยึด น, น, น, นี่อยู่ในโลกอันนี้ทัเท่านั้นแหละ ที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกรวนกวายเกิดพบใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจพบนี้ต้องเกิดในภพนั่นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ใน ใ, นใจภพนี้เองจะไปที่ไหนเนี่ยไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิมีนัยละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ไข ค, ครัวไม่มีใครไข ค, ครัวแล้วความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบนะัติทำเพราะทำเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมาก จึงเรียกว่าโลกุตรธรรมธรรมเหนือโลกคือละอียดละออเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพินิเฉยใครควรดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทาไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมาได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีก ้อนไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืน้นเกาะไปท่านั้นนี่ทำเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิน้นจากพบจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แม้จะเกิดในใดภพนี่ก็าตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความ เกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายแล้วยิ่งสร้างบุญสร้างสมากเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากถูกตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกองขังนี่เสียได้ไตรภพบนี่แหละอืไตจรจักรวาลเลือนไตโลกธาตุนี่แหละคือเลือนจําสําหรับขังจัด ทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแจ่เก็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้เต็มอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจริงไม่ได้บ้างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่ในนี้แล้วพิจารณาที่ว่ากิเลสมันหลอกหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าสูญในโลกธาตุนี้มันทําไมไม่บ้างจากสัตว์จากบุคคลจาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธานนี้เลาเมันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงตอนนี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่นั่นมันไม่คิดนั่นสิมันย่อมไม่กี่เด็ด เ, เป่าเอาเป่าเอ า, เอาล้มละนาระนาระน า, า, นาไปหมดยิ่งพูอะสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นเนี่วกอป่วยเอ า, าแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายไปแล้วมันมันไม่ศูนย์นะสิก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไง พาพ้นจากนรกเมื่อหราจะพ้นนกี่กับกี่กันนกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วดึงไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้ามันมีทําให้ตามถ้ามีทำโมปฏิโปสว่างจ้าขึ้นภายในใ จ, ใจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิ ด, ป, ดปิดเถอะว่า ง, งั้นเลยกิเลสตัวไหนมันก็าหาญจะมาปิดคาดสะ บ, บั้นตรงจากหัวใจหมดแล้วทําไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะือมองโลกธาตุนึ่นใครจะมีความ เแล้วฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่ า, ราพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผููติขิ่นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้แต่เราวันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจํามากเรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเออเามาก็มาทะนงตัวเองเสียน่กมาทำลายตัวเองอีกแบบนึง่งเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในในด้วนจําไปว่าไง วิชาในเรียนจำความรู้ในในในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ยังไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดให้นี่นั่นเมื่อมันผิดให้แล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทะนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติผลนโลกุตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัว ตัดหัวปอดของจุลินทรีให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมดุดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้าทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานานี่หาช่องบ้างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันหมุนที่ตรงไหนพิี่ณาเจ้เมื่อเป็นเชนั้นแล้วจลินทรียมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนที่ได้ทำบาปทํากรรมจิตใจมันหมุนออกไป หากิเลสหากิเลสไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเขตมีหลับนับวันจะมืดจะตื้นนับวันจะเดือดร้อนบุ้นบายไปโดยลํดาดับธรรดาเมื่อห่างจากธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นด้วงขอให้ทุกทุกท่านโปรดพิจิตรพิจารณาให้หายสงสัยในไตรโรกธาตนี้ไม่มีที่โร่งที่วางนอกจากโรงที่เลสจะให้หมดภ า, ายในจิตใจนี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแ ล, แลว้วโรคกุตริรกิจโรคโรคกุตติธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภ า, ายในจิตใจ ่หมดปัญหาที่นี่อนันตการนิพพานเที่ยงคืออะไรฮะรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอืมันันตการไม่มีเวลํเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทางนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์มีมุดหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของมูรีเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเราถอน มีขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกเรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีงแต่ดึง拉ลงมาสู่พบสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เจิดตายตกนรกหมกไหมมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปทำทัางไม่ได้พาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดิบของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหลอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเลวไหมมนุษย์พระเราเนี่ย ปีนาไอดีตั้งปัญหาถามเจของเข้าไปเลยแล้วยังมาอยู่เฉยๆได้เหรือกินข้าวเขาตู้วันตุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทางนั้นถวายก็มากินแล้วมันนอนใจเฉยได้ยังไอองนิจนาที่ไม่รู้สึงเนื้อสุกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยที่กินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้ว น, นินอยูเกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กำลังยกยอเน่าชจ้มเฉยนะ ว, ว่าวัดปา่าบรรดากว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้า มันเรื่องอะไรพี่นาทา่ดีชอบหรือไม่ชอบเราพี่นาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่หนไปสอดหัวสอดคอก็ไปให้กิเลสฟันเอายำเอายำเอานั่นนั่นมันวิเศษหรือหรือนั่นปฏิบัติดีหรือหรือปฏิบัติดีทําให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรถเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกภาพ ล่าหาเหยื่อแล้วเอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อบ่งตามมันมันก็ฟันเอาฟันเอานั่นเลยเป็นยังไงวัดตาบรรตาดพระเนรวัดตากันตัมีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาจมใชจชอย่างงั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือเรถ้าภูมิใจก็แสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตาม ล, ลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเรื่มสายศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับว่าเป็นความดีความชอบสําหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอละ เอามาถามเจ้าของที่นักปฏิบัติของเราทำไมถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสําคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นําไปพิจพิจารณาผมก็ยิ่งเท่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่ น, นั้นเองทํางานไม่ได้เทลายยิ่งเป็นห่วงไ ม, ไม่เป็นห่วงไงสดสดร้อนร้อนนี่ทําของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่อยอเป็นคืบเป็นลาสมัยตามที่กิเลส มันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันลบมันล้างเออทาศาสนาก็หมดมรรคหมดผลนะสวรรค์ น, นิพพานนรกไม่มีตายแล้วสูญ น, นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ทำบุริเจ้าเจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดสดร้อนๆ น, นี่จะว่างไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่างยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนําสารโลกที่มีกิเลสด้วยการขนไป แดนพ้ทุกมาสั้นนานยิ่งกว่าผู้ที่เจ้าจะมาตัดจรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลือดมันเอาคนให้พ้นจากทุกมีแต่จ้าให้จมลงในทุกจมลงทุกใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจ ม, นนนจมสดสดร้อนๆน น, นั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนําให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะ <c oughs> ผมอุตส่าห์พยายามแนะนํา ส, สอนหมู่เพื่อน <c oughs> ถูกยากลําบากันไหนก็ทนเอาทนเอ า, เ, อา <c oughs> เวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วในวลานี้ธาตุขันก็โหดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวข้องมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตานั้นยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวิวัตส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทําให้เกิดเป็นห่วงใย ห, หมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลําดับลำดัจนกระทั่ ง, ท, งทั่วแดนโลกฐานเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกพอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้ พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิกอนาโถนี่ตายเศร้าไปนะทรงมีพระแม่ตามหากรณาที่คนนั้ใหญ่และทําประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์าาโลกเลยเสวยทุกทรมานมันมากต่อมากอืมกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครับไปเลยวลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกองค์เจ้าเนี่ยทรงแนะนําสั่งสอนจนกระทั่งขนาดจะปรินิพาน ยังประกาศทำสอนพิสูจนทั้งหลายค่ะยังมีข้อควใจสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนะพอจากนั้นแล้วก็ดูการพิสูจน์ทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะ่ะสังขารอะไรพระพูที่เจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอยากจะวงศษัตว์เท่านั้นแหะมาอยู่เกี่ยวข้องกันไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั่นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้ว ชงสั่งสอนว่าว่าอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกแล้จิงหันนาดานิพกเวอมัตโยอัตยามีโอพิกเวอนี่วยธรรมะสร้างคาราปมาเลขสั้าปาเลธานี่สอนพระสงฆ์อ่ะพิกเวอิกขเวอไม่ให้ประมาทเป็พิจารณาท้องเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทนี่สังขารสังขารอะไรสอนชอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาแล้วจุดท้ายที่เข้าหัวเที่หัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใด สังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทยัยอันะอละเอียดละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังก็ไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจง้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์พระ น, นิพานทรงทําหน้าที่การประนิพานด้วยความมุอาจก้าหารอาชาณัยไม่มีใครเกินศัสดาของโลกแล้วอืไม่มีการหมั่นไหววันอะไรปภาษาธาตุภาษาขันถัดวันน้าอะไรอืม ไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศรรสาสตาองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานดุจฌานจนกระทั่งเฉยยาเวทายตานิโรธแล้วย้อนกลับลงมาแต่นะนั้นก็เก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติก็รูปฌานก็เป็นสมมติอรูปฌานก็เป็นสมมุตินาน อ, อกองกลางนั้นนิพพานแล้วน่นพระอนุรทะว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพระเจ้าหมุดหวังเหลือฮะ ชวาคารธรรมจัดไว้เพื่ออะไรเพื่อนิพานนั่นแหละเพื่อนิพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละฮะทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยะว่างไงเสวยมุติสุกโลกมีสมมติก็ต้องมาพูดว่าเสวยมุติสุกพูดไดเจอเข้าไปมันก็รู้เองอืการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอดวุ่นวือนพูดไปพูดไปกนี่ย